ชนะต้องข้ามโลกขึ้นโ ม, ม, มาไปประเทศไทยฮะก็พอสานะพุทธก็ข้ามโลกม ม, มาบรรด า, าสนะพุทธนี่อานาจกว่าทั้งมนพุทธเข้ารบแับวเพื่อหน่อยก็าตามก็ไม่อานาจกว่าสมม า, าสานะพุทธย่อมเมืองสาชนะไร้ทางปวงยุทธทุกทุกสมัยเลยพูทธตามพ้อมันจก่งโมพูดตามลำเอียงเมือศาสาสนะไร้ทางปวง พ่อไม่มีความรัดแง่งไม่มีการรัดแฝงเล้วตั้งไว้พ่อแล้วยข้อมเห็นตั้งไว้พ่อเนี่ตั้งรักของกรรกรรมและผลของกลรเป็นดิงดิงของพระพุทธศาสนาเป็นฐานสารอัยการเป็นฐานทัดสีเป็นศานไต้สวนเป็นฐานวัฏฏธรรม์เป็ น, ด, ป น, ด, ป น, ด, นดิงพระพุทธศาสนาเป็นดิงการออกกฎหมายของโลกก็คือกันกฎหมายของประเทศชาติ บ, บ้านเมืองกับคูคัน ต้าปีนเกียวว่าพุทธศาธสน า, สาไปจนเกินก้หมรถเราก็ไปวาระ อ, อยู่นะแล้วมาสังเกตลก้มลุกฟิชื้ว่าตายแล้วโสนหัวเล่นี่นเล่งเกินเล่ง เ, เ, เกินมัดที่มักซิปอะไรทำนั่น่ะไรไปบวไรนั่นเชิงที่มาจักบันนาไปทางจะเจร่ญกลับเป็นทางข้างทอยหลังฟังออกมาและพูดภาษา ฟังมตัวนี้ฟังออกไห ม, ะ <c oughs> หมนะแล้วผู้วันทยว่าอะไรดิีนะปีนั้นบรรดาลใช่ไหมปีสองพันสี่รอยแปดสิบเก่าสิบเกกสิบกสิบเ็ดก็สิบสองพวกนี้ม้วนข้นพอพุ้นม่ไปบ็ได้ไปบ่หลอดตัวรงกษาแต่รัาคันได้ จุดกระเทือนหอดมูลเลยว่าหรอกมาตามพิธุกัตถนามาดามั น, ม, นาาามาดาพิดาพุ่นของมาดาพิดาว่าีง เ, งเพราในเรียกว่าเป็นน้าที่ของเป็นอาที่ของคนพ อ, ค น, อคนเหตตออกมากเลยท่านเรื่องมาแล้วเรื่องท่านตอบทำสิทธะ ข, ของท่านดำร ง, งวงศตระกูลเราพึ่ตนแท้เป็นคนควรละครับมรดกเมืม่อท่านลงรับไปแล้วลทำบุญล้วพกใหญ่ท่านมันไม่ไรู้ม่ทม่ไม่ทำ ม, ม, มาของเงา ส่วนพอส่วนแง่ของนี้พระพุทธเจ้าสอนหนึ่งห้ามละทัดทำความชั่วสองห้าตั้งอยู่ในคนดีสามให้ศึกษาศีลและปวิทยาสี 4, ห่หาภรรยาและสามีที่สมควรให้ห้า ม, มอบทรัพย์ให้ในสมัยพระพุทธเจ้าสอนวันดเหมือตอนนี้สอนพระเจ้าว่าสอนตรงนี้จะไกลบริหารพระพุทธเจ้าอสอนยาพระพุทธเจ้าสอนอย่ารักษาหลว สนหลักเพาสมควรหามว่ได้สอนหลายจะห้ว่าท่านใชหมสมมติเนี่ยเพราะการพาตัดขังพุทธกาลบโมบมเมการพาตัดห้ามพาตัดในที่แบคบเพื่อในที่รมผ้าในที่รักแน่ห้ามว่าให้พายตัดเพราะแพร่ขังบัวรา้านมุตนาหน่วงสุดสมวันุกวันเนี่ยมันเต้นกบบัวหลาน มันเรียกว่าวนยายาที่มหาวิการสี่ิทิประโยชนในป่าถูกงูกัดงูคูดเท่าดินเสียบตะบงงยาขององูถูกงูด่วนเนาะงูพูดเท่าดินให้กระเดิน ก, นนกนินไม่ต้องเค้นก็ได้เพราะเอ่ไสุขเสื่อมไม่ต้องเค้นก็ได้ถูกงูกัดงูขูดเท่าดิน ผสมกันกลอกินเลยกือรักทางพุทธละปัดสวะวัสะวะอสงองนวัดสะวะงองุ่นนี่ลไยากสามารถออกดอกมันจองแต่องนี้นะงามมากเลน่าเปลี่ยนมาจองออกว่ดใส่ยึเรียนมาใส่ไปยึดจิตเทามาใส่หมดขุดเก่ามาใส่อีกโอ้คันได้กันพุทธละเก่ามาใส่อีก คำอะไรแบกระแล้ววะคืนกินสีเท้านั่นมหาลีกัตเชียคอแก้ผิดมันเขาทักหัวใจสมัครท่านนะมะท่านยาสมัรนสมัคร่านสมัครท่านมันก็ร้ายใจได้แหละโรคไม่เคยคขนว่าจะไม่จักคือก็บมี่มัเคยย้อนพวกกันพวกคุ้นหมอได้ยาเขาโรคเปิดึืนว่าไม่จักคือก็มี่ นั่งคันยานฐานบ อ, ดอดกตัวพวกที่ซักเงงเ ง, งี่มาพี่เขากาสนโรคอันนย้ถ้าเป็นโรคอย่างมันตน้นโตมันตันเท่ามอเซอร์เล็อกกี้เนี่ยเ้ามาเห็นว่าผีมาเห็เท่าจะเกลืออันเห็ดไข่เก็บไข่ป่วนยนี่มันประคดนี่แตงตัวปยุติธรมรมเพื่ทเทียน เห็นตัวย่างงงลงว่ะพัวลูกอันท่านิดึงเมย์มัดว่าพกขาเขินก็พูดยันว่าโทษท่านนี่แก่งวะว่าเดียวกล่งเว็บนี่เนี่ยห้วผีดีเ่าไอี่ึดตัวด้ว่าสัางเห็นปรากฏแค่เดียวแถลงแล้วแถลว่าเูเห็นเขาพ่อหน้าไปเห็นมันีีมีมิตุ้ห้องน้ำไม่มีรกันเห็นตามมีมิตมั่มีอยู่ เราที่ห้าเดินใกดงไปเฉยๆก็เหาะเดินกระเดเฉียวมอว์ทุกท่เป็นเที่ยวมอวหมัมาทางคนทางนโเคเคเมนิมิตน่นิมิตขวาน่าเดียนี่บ๊อบขายเดีนี่ประัตรเานองต่บเยอรมันโอแล้วก็ไตกกนีกมองไหนองเน มันก็มันเที่ยวเยอะมั่นเหมือนกันเที่วได้เยอะละมั่นมากมากก็เที่ยวดาทัอื่นนั and and ่แหละแล้วผู้มหาตัวเ่าบอกใครว่าลั้งก้อนศอกตัวเข่บว่าตั้งก้อนศมันเปยนยกพลวันนะคือครึกได้เอาม้เนี่ยแล้วถึงเรื่อสยามรับ ออกกันโดนยู่ตัวมหาเป็นเซ็ตเป็นสงครามกันนักภูมิหะแปลงนั่งคือเม็ดถ้าั้นได้ซื้อนั้ซื้อไปเช็คเ้าคขายถิ่มพรมหาชั้นนี้สงวนเลยรั้งผ่าทาั้งงมคึกฤทธิ์ถึงพระมา <laughs> ทีขมหมไว้ที่พระไตรปิฎกผู้ใดจะสนไหกก็ตีไปสั่นั่นแหน่นี่หมายยังไอันเดียร์ข้าพวิจัยรวมเลยคุณหมอนึงขัวิจัยไปหนึงคุณหมอหนึงขัวิจัยไปหนึ่งแต่ขโ่ผิดกับหลายวิจัยธรรมะอันเดีพนกนี่นน้หยังกาะหนาอ่อนกวีนหน้าอ่อนกวีนา อันผู้จักขับคนกับมันนั่งอ่อนปวยนากับพระนี่ก่อนสุบเอือนไระถุงจักสองคนนจิเป็นพยานกันได้เอือนพูดจะเป็นพยานกันได้บ่หรอขันว่าเขียเข้าไปประเทศก่อสร้างเมียกับสองคนนั่ะผู้จะเป็นพยานกันได้พามืองนั้นเมือมืองเมืองน้นจักคนพาสามสี่คนเมือหนึ่งเมือหนึ่ง เป็นตอนนี่เป็นคนไทยใส่มาได้แน่รล้ในอันชส้นรลยนเท่ามีมีหลายหลายคนคู่ซอยตัวสองคนมีสองคน่หรอหมอตาที่หมอพ่าตาหลายแบบอาจารย์หมอหนึ่งหมอผากระดูกโอ้หมอผ่ากระดูกกระดูกหลังที่หยวไปเวลามากเกือาเกงของโมในเมืองไทยเลยแต่เรามีหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดเนี่ยคะแนนดันยีงไม่มา ยี่คนมองเสนพนฟังออก่าฟังเขาออก่อฟังขึ้นขึ้ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขขึ้น้นข้นน้้ข จนะับความดจับความก็มาแต่นานแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่ค่อยสันเัดภาษาอสีสานเพราะพูดกันในโรงพยาบาลไม่ค่อยพูดภาษาอีสานจริงพูดครับแต่เวลาเ็าพูดคนไข้พูดผมต้องไปเรียกคนมาช่วยฟังแบบแปลผิล่ <laughs> าล่ามลามวาสตดม า, <laughs> าล่าม มอหมอก็อะดูกดูประมเด อ, อี้าเรียนมีกี่คน13คนนีค้ชตัทนึกถึงไปั๊บเนี่มีคนไขนนมไ้มากเรื่มากเนี่มาหายไปไนึแบบั๊บปุ๊บสะานนีก็มากลยแปลงเหไหป คล้ายๆว่าเอ๊ะตัวอันนีตอนนี้แบเอ๊ะคือเคยพาดเชิงเกลย่อนนหาเลยอ้าวเยอมากเลวครับเ่าสบายมากเลยครับโมเมนต์ไมแข็งแรงโมเนตแตกดีเลยครับนิสัยนิสัยเจตัวประเด็นใหญย่างนิสัยเจตัวปริเด็นใหญ่ถ้าว่าเป็นพระอรหันต์ก็คกลมก็เป็นผู้รักใจชายใจคนอื่นได้ไม่ใส่ทกพระตโโก นี่ใช้เกโรตรดิูลนิยายไม่จากหลักใจของผู้อื่นไม่จากในอนาคตอนาคตทางขยานงานสามอดีตทางพยานยานในส่วนอดีตอนาคตังขยานยานในส่วนอนาคตปตัจจุบันทางขยานยานในส่วนปัจจุบั น, บ น, ม, ม, นมันเกี่ยว<ร>มันเกี่ยวคำยึดส<ร>ายเกี่ยวคำยึดสายเกี่ยวคำยึดสายว่าสนาที่สามว่า ฝึกงานฝึกานนะสมมติสมมติว่าไม่ได้สร้างบาลานนะแต่่าฝึกชาตินะี่นะเพราะอะไรมันการถ้ามันชอบมันขึ้นยูวกับความชอบความชอบความความประสงค์มันไม่เนื้อความประสงค์ไปทุกสิ่งทุกอาไม่เนื้าความประสงค์ทุกสิ่งทุ ก, อ, ท ก, ทกอย่างเป็นของทิพย์ มันประสงค์มันก็เป็นของทิพย์ผู้ทําดีกเหมือนกันผู้ทำชั่วกเหมือนกันดีไปทางอ่ะทิพย์ไปทางชั่วมันก็เป็นของทิพย์กันทิพย์ไปทางดีก็เป็นของทิพย์กันก็มีหลายแผนเหมือนกันมันทำได้จ่กความต้องการและความพยายามแต่ว่าให้ผลต่างกันผู้พยายามในทางผิดมันก็สําเร็จแต่ไม่ให้ผลต่างกันผู้พยายามไปทางรักกายพาก่ของท่านผู้อื่นมันก็สําเร็จเหมือนกัน พออาต้นเบญทยาธรรมมาอนธรรมทั้งหลายที่ทรงอยู่มีอยู่ช่องว่างซึ่งโลกีก็เป็นโลกีธรรมช่องว่างซึ่งโลกุตระก็เป็นโลกุตระธรรมคาว่าธรรมมาอนธรรมทั้งหลายเป็นธํากลางธรรมที่เป็นโลกีก็มีธรรมที่เป็นโลกุตระของธรรมที่เป็นโลกีก็มีหลายชั้นทรรมที่เป็นโลกุตระก็มีหลายชั้นอยู่เหมือนกันโลกุตระมีธรรมอยู่ ทุกุโนอทุยายะสามีจิตนับทางมัดบวยโสดาปฏิมาโซดาปฏิผลเคู่ที่หนึ่งัพทาไครมัคสัทาไครผลเปคู่ที่สองอาณาไรมัคอาณาผลปคู่ที่สาอรหัตตมคอรหัตตผลเคู่ที่สี่นับเปลียงองเลียงบุคคลเป็นแ 1. ดหนึ่งโซดาปฏิมาสองโซดาปฏิผลสมัตาไครมัคสี่สัาใทรผล ห้าอนาคาร์ครัอนาคผลเจอัสตะแปดอะระหัสตะผลคาว่ามัดหมายความว่ากำลังกาลังวางยาคำว่าผลแปลว่าผลของการวางยาแต่ละมัดละมัดก็มีตั้งลา้านเนอโซดาปติ่าผลก็มีตั้งาล้านโซดาปติผลก็มีตั้งลาล้านสักษาอนาคาของมันกันอาหารตะอนหัตะมอะระัสตะมอะรหัสตระเหต อรรถตระเพืชมีความหมายอันเดียวกันอรรถตระหนักองเหตุอรรถตระหนักองพืออ้นอรัถตระผลของกรรมก็เปความหมายอันเดียวกันกรรมความนั้นออกมาควมหมายเหตุพืชกรรมพ้นต้องเหตุพ้นตองพื้นพ้นองกรรมมีความหมายอันเดียวกันส่วนจะไปทางเดินทางทั่วขอก็แล้วแต่เหตุกรรมพื้นจนสมาส่วนเมื่อเหตุทำถูกแล้วคนก็ต้องประสมก็ได้รับ ตามส่วนของข้าวของเหตุเช่นเราลับตาลงแล้วไม่ต้องการผลมืดมันก็ได้มือนเมื่อเราจับไฟแล้ว ไ, ไม่ต้องการผลของความรอนมันก็ได้รอนเมื่อเราเล่นไม่ต้องการความเย็นมันก็ต้องอเย็นเป็นปกติเนี่ยก็ผลมาอยู่ห่างกันพอเก่าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนึกคิดผลก็นึกคิดเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุไม่สงสัยผลก็ไม่สงสัย อยู่ห่างกันพอเก้าเหตุพูดผลเขาพูดเหตุฟังผลเขาฟังเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลเขาไม่เข้าใจเหตุก็ผลมันอยู่ห่างากันพอเก้าเมื่อเหตุก็ผลมีอยู่แล้วอย่างนี้ก็เชื่อกำแล้วผลกองกำกับเชื่อเหตุจะผลกำกับม่เหมือนเดียวกันธรรมัญญาตามเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าตรงนี้เป็นเหตุเป็นสุดตรงนี้เป็นเหตุเป็นทุกอาชันญาตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าตรงนี้เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกขนผลแหงเหตุอันนี้ ผู้เชื่อเหตผลก็เชื่อเพราะพุทธคามประสงค์มีความหมายอันเดียวกันผู้เชื่อกมแล้วผลของกรำก็มีความหมายอันเดียวกันผู้เชือพืชและผลของพืชก็มีความหมายอันเดียวกันวานพืชเช่นใดก็ได้ผลเช่นนั้นหวานพืชไปทางนี้ก็ได้ผลไปทางนี้หวานพืชไปทางตัวก็ได้ผลต่างตัวส่วนที่จะได้น้อยมากแล้วแต่เหตุและพืชเป็นประมาณทําด้าำาม่ได้ทางนี้ก็มันทางต่างตัวก็มันทางอีกครั้ง ถ้าทํำจึงให้ผลอยู่ทุกการก็เวลาเรียกว่าอาการไม่โกไม่มีโองการไม่มีเวลาให้ผลไม่มีการไม่มีเวลานึกถ้งหอมเช่นเรานื้อโกรธอย่างนี้ผลของของกรโกรธมันก็มาหาเช่นเราโกรธเช่นเราแมตตาผลของกรเมตาก็มาหาเราเช่นเราสงสัยผลของกรสงสัยก็มาหาเหตุแล้วผลไม่อยู่ทางกันกพอเก้าผู้เป็นเจ้าเหตุเจ้าผลคือใครก็คือใจ จะว่าเซนหรือผู้ลูกเขาเล้วแต่จะว่ามันสมองมาแล่าแต่ว่าเซนก็แล้วแต่ต้องมีความหมายอันเดียวกันคําว่าใจแปลเป็นภาษาไทยแล้วคําว่ามนัทเขเป็นภาษามคธคําว่ามนูเขเป็นภาษามคธคําว่าวิญญาณก็เป็นภาษามคธวิญญาณก็ดีมนัทก็ดีมนูก็ดีมนัทก็ดีก็แปลว่าใจเทั้แปลเป็นไทย ผู้รู้คใจมีความหมายต่างกันอย่างไรก็อันเดียวกันถ้าไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์ก็ยังมีทำไงพระพุทธศาสนาที่ซึ่งมากผู้มีปัญญาลึกก็เห็นลึกผู้มีปัญญาตื้นก็เห็นต้นผู้มีเชือกยาวก็ถึงได้ไกลผู้มีเชือกสั้นก็ถึงได้ใกล้ผู้มีสายตายาวก็มองได้ไกลผู้มีสายตาสั้นก็มองได้ไกล้ผู้มีกําลังก็แบกของหนักได้ ผู้มีกําลังก็แบกของไม่หลับเช่นพระอนนท์บอกว่าพระทิจาสรรมุบาร์ึิ่งที่เกี่ยวข้องมันเป็นสายโซ่เป็นของตื่นเพราะชาข้าเธอพูดอย่างนั้นก็ถูกแต่ก็ไม่ถูกถูกเฉพาะผู้มีปัญญาไม่ถูกเฉพาะผู้ไม่มีปัญญาน้ามหาสมุทรปาติมิงคะบอกว่าไม่ไม่ไม่มีที่แบวกว่ายก่อ พราะมันคับแคบในพวกจําพวกปลาตัวเล็กๆเขาบอกว่าลงไปลึกมากโผลขึ้นหายใจไม่ทันความดีคนดีทำดํำในง่ายความชั่วคนดีทดําในยากความชั่วคนชั่วทำํำในง่ายความดีคนดีทำดํำในง่ายความชั่วคนดีทดําในยากก็ามาแอบไป ของมกรนะครับสัดีปีใหม่แต่ว่าใกล้จะตายกว่าปีการนุ่เดีย๋ยวนี้ก็ใกล้จะตายกว่ามะช่างน่อย้ลงคอล่ อ, ลองคอ่องคอการเวลายอลอ่ยอมล่งไปชั้นแหงวยย่อมลัเป็นลำดับไปในทางชื่ละเอียดกว่านั้นย่อมเห็นได้ทางน้าเห็นความเกิดขึ้น แ, แกกนและแปรเปลี่นดัไปาหวาไม่ได้ มันเกิดขึ้นแค่เพอระดับต่ำนราหมดนะครับจับเร็วนะจนถี่ยึบติด ก, กันมันพื้นเลยเสียงไวก็หมอจะเห็นอันนี้จังในทางพุทธศาสน์อันนี้จังในทางนึกคิดของเราทำงานแล้วนึกคิดขึ้นแล้วก็หายไปที่ยความทังขานหลางเลหายไปแล้วพูดไปมันก็หายไปเขี่ยว่าสั้งขานหลางเลยหายไป มันลมพัดพัดไปพัดไปไปก็ลมมันต่ออารมณ์ของเราที่นักคิดก็เหมือนกันเลืมาแ้วก็ร่วกไปเรื่อยแล้วเลือกกันไหนอีกก็ล่วงซึ่งล้าไปยาผุ้พายเลยความแก่ความอะไรของเราเหมือนกันก็ร่วงไปยาผุ้พายเหมือนกันไมละอายเลยตัวก็ตัวดับผุ้ายแก่ก็แก่ยาผุ้พายเก็บก็เก็บยาผุ้ายตายก็ตายยาผุ้ายถึงมันจะเข้าไปห้องตรวจ ก็คนหมอก็เห็นอีกเกิดแล้วก็เกิดจากผู้ายหาหมอตำแยมาด้วยเมื่อนักเคี้ยโอเกแล้วหัวน้าะมันมีความลับมันมีในโลกทานและดื่มเข้าไปก็ถ่ายออกมาให้เราเห็นสีนี้นจะเป็นหน้าออมทางว่าทางตาเพราะว่าขี้ตามูลตาขี้ตาถ้างหูก็บอกว่าขี้อย่างนีออกมาจากคขนุมขม เราเรียกว่าหน้าเหงือน้าไข่ที่ปเป็นเป็นเลือดก็มีแลบวพอราไอ่ศาสตราสอนสอนแห่งแยกธาตุผมขนเล็บวันหนั ง, นงเนื้อเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกม้ามหัวใจตับฟังปื้ดไต่อดใส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าใส่ใหญ่ปลยข้างหนึ่งอยู่โกหอยปลาข้างหนึ่งอยู่ทวารหน้นี่เป็นธาตุดิน ธาดินมากองว้นี่ครับผมขนเล็บฟัน น, งนังกระดูกเน้่นกระดูกว่าใจตาฟังหใจปอดใสอรอานห่อยอา น, น, นเก่านี่เป็น่าดินนี่เอากองไว้นี่นี่าดินีนยกาดออกสมมติออกกองไว้ใช่ธาน้าดีเสลน้องเลือดนหงือมุนข้นน้ำตาเปรลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไข้ข้อน้ำมูด น, ขข น, ดนี่มีกองน้ํเอาไวน้นี่ไฟที่ยังกายให้อุบวน ไฟที่ยังกายให้สุดโสมไฟที่ยังกาให้โกนขวายไฟที่เผอาหารให้ย่อยนี่เอาไว้กรองหนึ่งใช่ลมพัดขึ้นวังวนลมหายลมเรยลมอ้วกลมพัดลงวังต่ําหายลมลมดันอุจจระปัสวะออกลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวตามเส้นตามเอ็นลมหายใจเข้าลมหายใจออก นี่ก็ฟองดินนี่ก็ฟองน้ำมี่ก็องไฟนี่ก็องมคนไม่มีแค่แล้วจ่าเต๋อถ้าสมมติเราคนไม่มีฉันกุีิวิหารนี่ลุออกหมดแลกุติไม่มีนี่จะหาอุบายที่จะคนไม่มีแค่แล้วก็ผมผลจะฟันนั่นละถึงที่เป็นของแข็งธาตุสี่กัทวทธาตุคธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้าเตโตธาตุคือธาตุไฟไมโยธาตุคือธาตุลม ลักษณะอันใดที่เป็นเอบอาบที่เชิงทราบไปก็เรียกว่าธาตุน้าลักษณะอันใดที่พัดไปมาก็เรียกว่าธาตุลมลักษณะอันใดและวอบอุ่นแล้วร้อนเขเรียกว่าธาตุไฟมันทั้งกลงุ่มน้าไฟลมเป็นสี่กองไอ้ตัวคนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างนี้ทั้งกลุ่อันนี้เราไม่ยอมแยกแยกธาตมันก็ต้องมีสัตว์นี้แ้วกมีตัวตนนี้แล้วก็มีเขา ญาติาตออกแค่ละก็เป็นแต่ธาตุินก็จะธาตุน้ำก็จะธาตไฟก็จะธาตุลมสัวเมตนาธรรมญาธรรมชาวิญาณมีอิทธิเวตนาปัจจะอารมณ์อารมณ์มาจากไหนมีรูปารลมัทธารมคันธารมละพารมโผล่ละพารมทำมารมอารมณ์มาจากไหนอารมณ์มาจากตากระทบรูเรียกว <si suppression> ่าปรูปารลมเสียงกระทบหูเรียกว่ามัทธารมเพราอารมณ์ พรมันสัมผัสกันมาสันสัมผัสหจักรุสัมผัสโสตะสัมผัสขานะสัมผัสชิวหาสัมผัสก่อะสัมผัสมโนสัมผัสสัมผัสนั่นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือสมว่างทุกว่างอเบทขาว่ามีชื่อตามไอธนะไป็จงกือจักรุสัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสต่อชาเวทนาานะสัมผัสเวทนาิวหาสัมผัสต่อชาเวทนาไก่สัมผัสต่อาเวทนามโนสัมผัสต่อชาเวทนานี่มันเป็นภาสบาีการกระทบรก ไปเห็นรูปสวยก็พอใจก็เป็นสุขเวทธนาถ้ารูปไม่สวยก็ไม่พอใจก็เป็นทุกขเวีธนาถ้ารูปกลางๆแล้วก็เป็นอุเบกขาเวทธนาเสียงก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันโหตัพระก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแปลผลแล้วกจ็บสลายทุข์ก็ดีทุกข์ก็ดีโศมนัปกโมนัความยินดโสมนัปความแก้งก อุเบกขาความบางเฉียงกินทุ ก, ทกตัวมันนัดตวันนัดอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นใ น, นข้วแปรปรวนนั่แต่สัวอยู่มือนกันเป็น ร, บรอบๆอยู่หาระหว่างไม่ได้ความติดเป็นเครื่ อ, องชั้นตอนของโ ล, к, งโลกโคลงกศาสตรายืนดันความนึกคิดเป็นเครื่องชั้นตอนของโลกภายในโลกละเอียดโลกภายในเฉพาะส่วนตัวของท่านผู้ใดของใครเข้ามาเรียกว่าอัจฉริโลกโลกภายนอกเรียกว่าผู้อื่นสัอดอื่น พรเห็นธาโลเกิดขึ้นแล้วขอแปลว่าให้แปอ้าสังขารโลกโลกคือสังขารพ้ะโลกโลกคือมูลสัตโอค่ะโรคโลกคือแผ่นดินมนุโลกได้แก่โรกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโรคได้แก่สัวกามาเปจาของขั้นภพมโรคได้แก่รูปภพจุภัตต์ขั้นและอรูปภพสี่ขั้นโรกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขารแบ่งเป็นสองสังขารที่มีใจยคลองสังขารที่มันมีกาคลอง สังขารที่ไม่ไม่มีใจความคือตนรุ่นล่วนดินรั่นล้วนภายนอกต้็นตนน้ำรุ่วนสังขารที่ไม่มีใจความก็คือคนเราสัตว์มีธาตุดินน้ำไฟลงมีโูคขันน้ำขันโรคขันคืออะไรดินน้ามาชมกันเป็นกายแยกว่ารูปดินน้ําไฟลมชนกันเป็นกายแยกวารูปวทนาความเสวยอารมณ์สุขทุกเบียดหาสัญญาความจํา จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำปวดพาะจำธรรมารมณ์จำรูประลูกะสัญญาจำเสียงสัพพะสัญญาสัพพะสัญญาละสะสัญญาโพธะสัญญาธรรมะสัญญาจำธรรมเป็นธรรมะสัญญาโพธะสัญญาคือจำความกระทบยันรอดอนแข็งที่เราห่มผ้าปรเดีที่เราขอมากระทบกายของเราปรเดีให้รู้จักอบดุ่นหรือให้รู้จักเจ็บปวดประเดีเขาเรียกว่าปวดพาะสัญญาเพราจำไว้ สัญญานี้เกิดดับเร็วที่สุดสัญญาเป็น่อาความจำรูปสัญญาศัทธาสัญญาขันธะสัญญารัศสาสัญญาปุถุคสัญญาธรรมะสัญญาจํารูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจําุดทัพพะจําธรรมารมณ์ที่มากระทบไอ้ชนะพายนอกไอ้ชนะภายมากระทบกันแล้วก็จําเกิดเร็วที่สุดเช่นธรรมอุทเทชาโคตโรโรโตธรรมะธรรมะนี่เป็นสัญญาเกิดเดียวรับเร็วที่สุดเพราะสัญญาความจำทังขาดความคงแก่แห่งจิตก็เกิดเร็วดับเรยวของกัน ไห้นรียว่าให้ตั่วว่างให้นักกลางๆว่าวนเวียนกันอยู่อย่างนี้พักท่งหาต้องเที่ยวอยู่กางก็เียนการอาหารอาหารคือของข้าวพักทหารอาหารคือสัมปัตจักุสัมผัตโวตสัมปัตขานะสัมผัตสิวหาสัมปัตกายะสัมปัตมโนสัมปัตมโนสัเจตนาอาหารอาหารคือมโนสันเจตนาความนึกคิดวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณจักุวิญญาณชวตสตวิญญาณานะวิญญาณสิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณ สตตัตทั้งหลายอยู่ตามอาหารสี่ก็เรียงกาอาหารอาหารคือควาข้าวประาอาหารคือสมบัต eh ิมโนสัจเกตอาหารอาหารคือมโนสัจเจตนาความเจริญวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณสักทั้งหลายอยู่ตามวิญญาณอาถรรพ์กระทบในตาเกิดความโล่งขึ้นเรจยกวุ่วิญญาณอาถรรเสียงกระทบหูเกิดความโล่กขึ้นเรียกว่าโสตวิญญาณเสียงอันนั้นเสียงอันนี้อาถรรเกลิงกระทบจมูกเกิดความโล่งขึ้นเรียกณะวิญญาณอาถรรรถกระทบเล่นเกิดความโล่งขึ้นเรกชิวหาวิญญาณ อาศัยปวดเพราะสภาพกระทบกายเกิดความรู้สึกในกายวิญญาณอาศัยคำอารมณ์เกิดขึ้นกับใจเรียกความมโนวิญญาณแล้วก็วิญญาณหกเวทนาหกก็เรียกอารมณ์หกก็เรียกอีกครับงเพรมันเปลี่ยนอยู่อารมณ์ปัจจุบันหกอดีตหอนาคตก็หกวันละหกสิบหมดชั้นหกหกสิบอดีตก็หกสิบอนาคตก็หกสิบปัจจุบันก็หกสิบจักขุโสตะคานะาชิวหาไสยมโนจักขุ โส ต, ตะคานะคิวหาตายะมะโลพิยารูปสาตารูปหมวดละหกิบหมวดหมวดละหกสิบหมวดหิบหอดีหบอนาคตหกิปัจจุบันหนิบานชหกบมเปนที 6, น่ 5, 3, ตัหาสมาณที 3, แม่น้ำโสงตัหามง รูปรูปะตัณหาสัทธะตัณหาตันฑะตัณหาละสะตัณหาโหตภะตัณหาธรมมะตัณหาตัณนดในรูปก็รูปะตัณหาตั้งเอได้เสียงสัทธะตัณหากัณณดในขินขะณะตัณหากัณณดในริ้นละสะตัณหากัณณ์ในใาย็นรอนอ่อนแข็งโหตภะตัณหากัณณดในธรรมารมที่มากระทบเรียกว่าธรรมะตัณหาธรรมารมที่มากระทบคืออะไรบ้างธรรมารม รูปเสียงกินรถโผล่สภาที่ล่วงไปแล้วรูปเสียงกินรถโผล่สภาที่ยังไม่มาถึงรูปเสียงกินรถโผล่พภาที่กําลังเป็นอยู่ในปัจจุบันที่เรียกว่าทํามารมมากระทบใจทีนี้ตาโทรเลขด่วนมาก็ส่งลงถึงใจกระทบรูปมาก็ส่งลงถึงใจถ้าคนตายแล้วีตมันส่งมาถึงถเพราะวิญาณมาถึงที่นั่น เสียกระทบหูก็ส่งลงถึงใจสิ่งกระทบจมูกก็ส่งลงถึงใจรับกยอดไม้ด่วนรับโทรเลขด่นวนทั้งนั้นจิตใจสิ่งที่สมควรถูกกับกิเลศก็รักไว้สิ่งที่มาถูกกับกิเลศก็ปวดสิ่งที่เฉยก็ไม่เอาเรื่องวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกขเวทนาทุกขเวทนาโภโรมศาสตร์สารเทศอนิจจังทุกครั้องอนัตตามากกว่าเพื่อนเพราะเป็นนิยาณนี้ก็ทํานํากับทั้งหลายออก ออกกับความลงของต น, ท, นงงท่านมาลโอโซปะคะวาเทวังพุทธังร่าเกวะมีเกวะเตงทรงพระชนมายุทธูเทศอันนี้ชังทุกครั้งอานาตามากก็เพื่อเมื่อเป็นนิยานี้ก็ะทำนำสัตว์ทั้งหลายให้ชื่นความสงสัยให้ข้ามทะเลลงของตนที่เคยลองมาว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาอเองอาจที่แท้ก็มีแต่เงาแล้วถ้าครับเราหยอกนอนเอง เปิ้นป้อนหลอกลวงสักอย่างไรเงาเขาปิ้นป้อนหลอกลวงบ้านต่างข้าพุทธการพัฒนามหาพัฒนาเนครับพุทธการเนอพัฒนาทั้งจิตใจด้วยพัฒนาทั้งกรรบาคคุณด้วยคนบมคคุกับพัฒนาจิตใจมีความมายเดียวกันพัฒนาทางกิเลสด้ว ย, าาว ย, าา ร, วยราคะตัวสะโมห์พัฒนาออกนานาคาตุยานังพระบริวารศาสน า, านรูปทาตต่างๆ สิ่งนั้นที่มันอยว่าถ้าสิ่งนั้นก็ต้องบัญญยาว่าทาได้ฉะปัญญาติโยฉะก็ไปโอโหขันทับปัญญัติลูกขันนามขันก็มันญยากอายุขัณะปัญญติอายุตณะภายในภายนอกอายตขัะภ า, ภ า, า ย, านายในเมตตาเป็นต้นอายตาัะภายนอกลูกเป็นต้นวิญญาณมีจ้กขูวิญญาณเป็นต้น ก, ก, กระทบกันเรียกสัมผัสมีชื่อทอายุณะภายในภายนอกคือจ้ขู่ััสตัวตาสัมผัสการสัผัสเชือัตายะมันสมบัตมโนตั์อย่างที่ว่ามาเนี่ย สัตว์ทางร้าท่องเที่ยวอยู่ตามอวิชชาอวิชชาแปลว่าโง่เวชชาแปลว่าแ oh. ปลว่าไม some ่ใช <erry> ่เ <arkadaş> ว<ๆ>ิชชาสัตว์ทางร้ามาเกิดแก่กับตายด้วยความโง่ของตนเพราะอวิชชาคําว่าอวิชชาแปลว่าโง่โงวมีลักษณะสีอย่างอวิชชามืสี่ไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกขัมนตอไทยไม่รู้ในทุกขั้นตอนไไม่รู้ในทุกขั้นตอนธาคาม่มีปฏิปทาไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคต แม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตด้วยแม่รู้ปฏิจจสมุปบาทที่เกี่ยวข้องกันเป็นสายเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามรู้ถ้ามีนามรูปก็มีอายตระถ้ามีอายตระก็ต้องมีปัสสะถ้ามีปัสสะก็ต้องมีเวทนาสัมผัสนั่นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาถ้ามีเวทนาความเฉืยอารมณ์สุขทุกขเวทนาแล้วก็มีตัณหากลทศกิรยาม ถ้ามีตังหก็มีอุปทานเลยอุปทานสีกลางอุปทานเื้อมันในกลางทิฏฐุอุปทานถือมันในทิฏฐิและความเห็นสีนภัตตุอุปทานเชื้อมันสินพจอุปทานสีอุปทานก็เป็นเหตุให้เกิดภพกามาภพรูปภพอภพอุลุภพก็พเป็นเกิเหตุให้เกิดชาติชาลาพรชาติเกิดในคันอัมพระชาติเกิดในใครสังเสีชาติเกิดในเท่าไครอรุปาจักเกิดเกิดขึ้นกำเนิดไม่สี่เขออาอ่านเป็นกำเนิดหรือกำเนิดเขาไาบเราเป็นอ่อนภาษาไง หรือจะว่ากําเนิดก็ได้หเหลือๆก็ได้ถ้าให้เราอ่านตํารวจในเราครบอ่านตามตัวบอกว่าตํารวจนะพวกมันไม่มีหออ้วอำน้าจ <c oughs> พวกชาภาคใต้นะประโยชน์นะไม่พูดประโยชน์เหมือนพวกเราประโยชน์ไม่มีหออ้วอำน้าจเลยพวกชาวภาคใต้นะต่อันมากต่อรือ้อเพราะท่านมาเมื่อใร่มาเมาื่อไดต่อถ่านแคบไปใหนเราเนะพราะท่านจะด่วนไปไหน นี่ยมันพอทันจำซาเนี่ยมันพอท่านจำภาษามันสมมุติเอาจริงจริงกินทีนี้ภาษาเมาคอสก็บอกว่าคุณชันติพวกเราก็บอกว่ารับทานอาหารหรือกินอาหารภาษาบ้านนอกหรือกินข้าวหรือกินน้ำหรือดื่มน้าําแต่ภาษาบาลีเนียกว่าคุณชันติ คุณตัวนี้เป็นตัวคอสัของเป็นตัวยอผู้หญิงชั้นตัวนี้เป็นตัวชอสูบชันสูแปลว่าดูดกินหรือกินหรือเขี่ยวกินสิ่งที่ดื่มก็ว่าคุณชันตีมั่งันสิ่งที่เขี่ยก็ว่าคุณชาาันตีวั่งคันที่มื่อแฝลเป็นไทยก็บอกว่าฉันอะชั้นอาหารฉัน ตอนทำเนียพระบรมราชาก็ส่งไว้พระกาหาพระพระกยาหาร น, นแต่ไอ้ที่แท่ก็สมมุติทางนั้นแหละโยขออนข้าอันกรมือชีก็เจี๊ยบพึ่สมมุตออิเอาจริงๆเจะของห้ามไม้พูดมากผิดใจเจะตายเนี่ยจ้ของนี่เจะของห้ามไม่พูดมากเลย วันนี้ก็เง็บเง บ, บเดี๋ยวคนนั้นมาคนนี้มาวันนี้วันนี้ก็พวกนั่นมารถบัสหนึ่งพวกนคองพลปฐมมาตกนไม้มารางานหลวงปารย์รายงานหลงปู่มาหาหลวงปู่ศรีกูมาไม่เชียงว่าอีกสัอากหาเนี่ยมามนที่ผาำลำย้อย รถบา้านอ่งรถบัามาสองคันมังใช่ไห้ า, าเข้าดีขึ้นนะดีขึ้น ด, ดีขึ้นาเข้ามาลนี่ะทา ง, ทางข้าวต้มเข้าเหนียวมันไม่ยอด<ม>เอออันนี้จังผู้สังกานาคาไปถ่ายมันไม่ออกเมื่อวานนี่ไปถ่ายมันออก โเขาเบ่งมากก็ใส่เลื่อนออกยอย่างนี้ทายอย่างนี้เอามือแย่นี่ลงเยี่ท้องน้อยลงนะก็เบ่งนี่ออกหมดเลยยาก็ต้องชั้นเรืออยู่ยานะ่ะเดี๋ยวใส่จะขาดดอกท้ายก็บริบูลหมดแล้วก็เข้าสู่ท่นานิพานไปเนี่ยแล้วผู้มหา โตกันกับพวกโตกับคริตินถ้าพระถ้าพระไตรปิฎกไม่ไม่แ ม, ไม่ไม่เป็นกองราบบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมก็สามารถรู้ได้กผมว่าเพราะเบื้องต้นยังไม่มีพระไตรปิฎกถ้าผิดก็ผิดมาแต่ต้นถ้าพูดอย่างนี้เบื้องต้นยังไม่มีพระไตรปิฎกก็ยังสําเร็จพระหลพระไตรปิฎกก็เพียงกตอมน้ําเท่านั้นทางพูดอย่างนั้น ที่ไม่ได้พูดมาก็มหาสมุทรท่านพูอย่างนั้นจะมาค่าท่านมหาสิอืมก็เลยที่องสือจํพาพวกนั้เป็นเขาสิไอ้จริงผ <c oughs> ู้หนึ่งมีทั้งปฏิบัติมีทั้งประญยัตปฏิบัติปฏิเวทคนคนหนึ่งมีแต่ปฏิบัติสิ่งเดียวมันก็เป็นทอดไม่รู้กักแกงทีนี่จากปนยังขํา ม, มันก็ไม่รู้จักลดสู้ลงปู่มหาไม่ได้ที่นี่ตกล ง, งเ อ, อ่ยทีนี่ หลวงปู่ไปทำมาหาเนี่ยทาชนะค น, นแท้เนอเห็นเห็นกับตาแล้วทํำงาน เ, เปิดพิธีการหลวงปู่ใหม่าห้าหกเจ็ดคนขึ้นมาถามหาหลวงปู่ว่าแล้วงหลวงปู่ ม, ามาหาพักพุทไหนแทนที่จะถามหาหลวงปู่ก่อนไม่ถามแทนที่จะถามหาหลวงปู่เคยก็มาถามถามหาหลวงปู่มาหาเพราะเขาเคยหลวงปู่มาหากลัวขึ้นไฟก็าขึ้นทหา ะพะเจาหาคนที่ขังถวายมูลฆ่าหลวงปู่มหาเชสันหวาเนี่นแต่หลวงปู่มหาหจะเอาไปทําส่วนตัวยังไงก็ตามจะทํางไงก็ไม่ว่าไม่ไม่ได้จากับว่าหลวงปู่ว่าเออพิจิตรลับโดยข้ารับแล้วจะเอาไว้ที่นี่ทําไมเอาไปถึงไหนดอกเอาไปในงานพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่นี่แหละแล้วขอบคุณเอาไปสัก เอาไวเชื่อโพสเข่ามอกให้เป็นมูลค่าของพวกคุณพอรับแล้วเพิกิตรับแล้วที่นี่เข้าไปกรุงเทพใช่นหมเขาถวายเงินล้านบาทใี่ไหเออรับแล้วเพิกกิจรับโดยเรับแล้วเอาไปทําประโยชน์ในพระนครหลวงเราสักสงไหนที่จะเป็นประโยชน์ที่ท่านไปกรุงเทพคนจะเพ่งโทษมาได้ที่นี่จะเพ่งโทษว่าท่าไปหางเงินมันก็มาได้เียมันก็ กระทบกระเทือนพวกกินเนี่ยจะพัดตะโขอาขาศนั่นนี่ถูกไหมล่ะเนี่ยเนี่ยผู้ใหญ่เฉีกันทางอ้อมกระทบกระเทือนเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจริงนี้สายข้่างต้องผู้มหาไงแล้วกูเทศก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่รุ่ดคนมั้นต้องผู้มหาแล้วผู้มหาแลบคนหนา หลวงปู่เทพก็ก้องควอยู่วันหนึ่งวผู่อื่นก็ก้องความแต่ว่าหลวงปู่มหาเนี่ยเคยถามเราอยู่วันกันตัวขึ้นจะทานน่านในยังนั้นโตขึ้นได้จากเท้าท่านทางเชื้อกระสามเชื้อผมให้เขาหน่นอยว่าเข้าเชื้อเดียวไปลิบตได้กับข้างเดียวไปเลยถ้านึกว่ายอยากจะทานอะไรนึกข้างเดียวเราไปเลยหลุดเมืองไปเลยหลวงปู่มหาเห็นชัดแล้วผา้าคาตัวอยู่ก็ทานได้หลวงปู่มหาเราเห็นแล้ว เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็คงเดือนล้านบาทเนอะไม่ต่ำกว่าล้านเนอะเขาฝากมาทางเชคสทางอะไรให้ท่านชาลวัตอ่ะที่คนจะไปให้ท่านทําชาลาถ้าไปทําทล้วพอมันสายแล้วพอใกล้จะตายแล้วจริงจะไปทํา ป, ป, ป, ปู่งเปงท่านไม่ยอมแต่ก่นไม่ทำํำและท่านก็เกรงว่าเราตายไปนี่มันจะเป็นวัดนักเรียนข่านก็เลยไม่ให้ทํา นี่ราคาคะแนนให้เฉลี่ยำคงจะเป็นแบบนั้นนาภของพระในประเทศไทยสู้หลวงปู่มหาไม่ได้นะท่านการส ม, สมชายก็สู้หลวงปู่มหาไม่ได้ไมันใกล้กันหลวงปู่ ม, มหามากวีนิงก็ต้องหลายหลายล้านมั น, นถ้านไนได้เจ็บส่วนตัวไม่ได้สะสมเลยเป็นเยือย่องยางอันดีอธิบดีกองปราบอธิบดีกองปราบ กองปรากรรมฐานที่มอดีกองปรากรรมฐานสังขายนาสังขายนาอยู่ในตัวไม่เทพโคราดเราเราเห็นแล้วพอเขาปะปวารนาสุดขัมนะครเออ ล, ลักเล้ยโดยคารับแล้วเพิกิจโดยคารัแล้วเอาว่าเป็นสมบัติของวัดนี้ให้เทศชี้ข้างเอาไม่เอาเทศแล้วก็เขาก็ภวน า, าอีกก็เอาอีกเอาอีก ไปที่ไหนเขาก็เอาท่านไประเทศเนี่ยเพราะถ้าท่านไปที่ไหนเนี่ยคนมาฟังเทศมากแล้วเขาก็เอาเงินให้มากแต่ ว, นะว่าถ้าไม่ส่งข้ออุดรก่อนไม่ไหวเขาโจมตีซะทุกอย่างต้องสง่งข้ออุดรอุดรเขาขอเอาขอเอาขอเอาตะพึดตะพึ๊ดโรงพยาบาลจะอะไรต่ออะไรพวกอุดรถ้าไร่ให้พวกอุดรจะเขาโจมตีเี่ ท่านก็บอกได้ว่รัพในตจโลกทาตุไม่เท่าทรัพพระพุทธศาสนาทัพในใจโลกธาศุไมาเท่าทรัพพระพุทธศาสนาแต่ท่านอื่นก็มาเท่าเอา้าพระพุทธรูปลองลองไปขายดูสิอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีกี่ร้า น, นอา๋อวัดหนึ่งวัดหนึ่งจะมีกี่ร้านราคาเอ้าวันหนึ่งวันหนึ่งพระธรรมสัพพุทธเจ้าเรื่องพระเรื่องคนเรื่องมรรคไม่ชี้ที่เอาโลกของพระพุทธศาสนาไป จะกี่ล้านบาทราค่าอาหารวันหนึ่งวันหนึ่งนั่งท่อนขอแล้วเนี่ยอขอท่อนสบายที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยสี่กี่วันเมตรบาทเสนาศาสนาข้อปฏิรรคจิบราคถาสารพัดหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งจะมีกี่ล้านบาทเอ้าผู้ที่จะไปทําบุญนี่ว่าโลกพระพุทธศาสนาประธรรมเสื้อไปให้พระดอกเสื้อไปทําบุญดอกขอบ้างนั่งซับในทาง ไรโลกธาตุก็มาท่าศรัพระพุทธศาสนาเน้อทรัพย์ภาย น, นอกทรัพ์ภายในก็มาเท้าทรัพ์ระพุทธศาสนาเองพระโชดาวันองค์หนึ่งองค์หนึ่งเราจะซื้อไปฆ่าให้ตายเต็มแผ่นฟ้าแผานาดินจะสมไหมเงินก็ไม่สมนั่นมีน้ำซ้ำจะลงนรกอีกยิ่งพระลหารยิ่งไปใหญ่ละเจนีองเดียวท่า น, นละเอา พระธิดาบานองเดีย ว, วอา้าวซับในแต่โลกธาตุเื้อไปค่าได้ไหมไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นนั่นเรียกว่าอุดมคติรับซับภายในก็ไม่ว่าแต่รับภายใอร่อยยิ่งพระสกทาคามียิ่งอนาคามียิ่งพระล้านยิ่งลหลายองค์ไปแล้วก็ยิ่งใหญ่ไปอีกแล้วนั่นเราคิดดูให้ดูให้ใ ห, ให้ให้ดูชับสิอืม เราหลวงเออยอมยอมมาพุทธศานาไเลยเขาก็บอกว่าสารานี่ทำดีแท้ดีแล้วไม่ดีเป็นของพระพุทธระธรรมประสงฆ์ไม่ใช่ของเราั้ารู้จักว่าทําให้เรากีรยรติมันก็ขึ้นพูดอย่างนี้ธนาเขาไป <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้ว่ามันเท่าไปธีไปสันเฮ็ดได้เนี่ยนี่อันเขาเฮ็ดนี่อันเฮ็ดไม่ข้าหน้าเขาเขาว่าพิธีไปสันเลยเขากเกวขาันนี้เกี่ยวกับเขาได้เลยคุณสวัสดิ์คุณสวัสดิ์ แต่สองพันหรยยี่สิบคนสวัสดิ์เห็นใหม่คนน้ำเเจ็บไหวเลยโอมันเป็นของแข่งผมจะเอาไว้ไปสักคนสวัสดิ์คนกรุงเทพผมจะเอาไว้ผมจะเอาไว้ไม่มีใครเอาไว้เขตามผมจะเอาไว้ผมจะเอาไปอไัจอ บ, บจีนจีนเขาเข้ามาในเมืองไทยเขาก็มีไม่ไม่ทานไม่สบู่อันเดียวเท่านั้นแหะเขามาหาวขายของเขาได้เงินตั้งหลายพันล้านนั้นแหะเขาก็เอาไปฟอกคําไหว้ ผมจะเอาแบบจีนมอาอักตันดูแกอะไรเก็บไว้คุณสวัสด์ไงพิชิพิษันไงคนอื่นมาในพิชิพิษันหลอกอั น, นแล้วก็เลยอนุโลมตามอันนี้เป็นของมีค่านะแกพูดอย่ะไรทุกวันนี้ไมนมีใครโซเป็นโซตายจะคอน้าขนาดนั่นดอกแกพูดอยะไรนี้เนี่ยฉะนั้นผ้าของหลวงปู่มั่นอยู่ในพิธิพัณฑ์ผ้าที่ประที่ชุนเอาไว้ให้ใหให ล, ลูกหลานดู ลูกหลานทุกวันนี้มันไม่ปลาไมา่ชุนเนอขาดแยบมากเกตที่ยังไปเอาไปเลยใครจะมาคลอนนําอยู่นี่ถึงสิบสองปีพระนิพพานไม่มีอยู่ที่แห่งเดียวหนีเลยเพราะตายคอนน้ำคลอ น, น้ำไมันใช่คลอนอยู่มาที่นี่คลอนจากพ่อมาเนอ ะ, นะพักสามครั้งจึงปีนขึ้นถึงเห็นนั่นแกจึงเก็บไว้นี่ไม่ใช่ของของเล่นนะชี้พราะว่าจะเอาไม้มง เอาไม่ไม่มันไม่มีเดี๋ยวเขาจับหัวนะ่ะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีจําเป็นก็ต้องเอานั่นมุมที่แกหามาจากกรุงเทพแกไปรบกวนขับญาติโยมของแกเครื่องมุงมให้พระทําให้แล้วก็บูชาพระพุทธธรรมประสงค์ซะอย่าเป็นบูชาเครเอของเรางูชาพระพุทธธรรมประสงค์หมดทุกสิ่งทุกอย่างในใจโลกธาตุข้าพระเจ้าบูชาหมดแล้วนะ ในสัพพะไตโรกธาตุข้าพเจ้าเขาอุทิศสกุลแกายเป็นสมบัติในสัพพะไตโรกทาตบูชาพระพุทธธรรมประสงมดต่อถึงสังหานีิมทรัพยอะสังหาริมทรัพย์เต็มโรกทาตุข้าพเจ้าจะถวายบูชาพระพุทธธรรมประสงมดเขาขีา้งูเขานอนเฝ้าอย่างนั้นหรือนั่ น, น, นเราบูชาหมดจักะนะแต่ว่าเอาเอาลัก เ, เอาของเข้าบูชาไม่บาปก็ไม่บาปของเขาก็เป็นกรรมสิทิ์อยู่เราบูชาพระพุทูปของท่าน ใครชิงโก้กมนอนเท้าอยู่างนัน้นเป็นเปนเรียทองนอนเราพูดอย่างนี้เราบูชาหมดแล้วเงินเดือนของพวกคุณนี่เราก็บูชาหมดแล้วเนี่ยบูชาพระพุทธธรรมพระสงค์หมดแล้วเนี่ยทพย์ในใจโลกธาตุยบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์หมดเราพูดอย่างนั้นเป็นน้ำลายของท่านเพราะท่านข้ามไปแล้วพุทธธรรมสง์ในที่หมายถึงผู้เข้าสู่พระนิพพานไปแล้วผู้ที่กําลังควักตากันอยู่แยกกินขนมกันเนี่ยไม่ได้นับ